เจ้าอลัมพายคือนายพรามผู้มีเวทมนต์เนี่ยจะเชื่อดเฉือนเราหรือไม่ก็ตามเราจะไม่โกรธเขาก็หลับตาทำการอธิษฐานบารมีให้เป็นปุเรกจาริกคือนำหน้าหมายคือว่าจะด้วยเหตุผลใดเราจะไม่โกรธเขาจะเชือดเขาจะเฉือนเขาจะเข็นเขาจะฆ่าเรายัางไงก็ตามเราจะไม่โกรธเนี่ยนะพอสมาทานอธิษฐานไว้อย่างนี้เบ็ดเสร็จก็สอดศีรษะไว้ในระหว่างขนดแล้วก็นอนใช้อยู่ แม้เนศศาสตร์พราหม์คือคือในพราห์ผู้เป็นพราหม์ก็กล่าวว่าท่านอลัมพายท่านจงจับนาคนี้แล้วท่านจงให้แก้วมณีแก่เราเถิดอาลัมพายเนี่ยพอเห็นนาค ก, ก็ดีใจไม่คำหนึงถึงแก้วมณีแต่อย่างไรโยนแก้วมณีลงไปในมือแล้วก็กล่าวว่าจงเอาไปเถอดพ่อพราหม์ก็โยนให้ไปเลยไอ้แก้วมณีก็เลยพลัดจากมือพราหม์พอตกลงถึงผื้นดินเท่านั้นแหละแก้วมณีก็แทรกแผ่นดินไปศูนย์นาคภิพพ สรุปว่าตาพรามผู้เป็นพรานเนี่ยนะเสื่อมจากแก้วมณีเสื่อมจากมิดเนีย่ยนะตัดญาติขาดมิดกับภูริทัตตะกลายเป็นคนที่หมดที่พึ่งไร้ที่พึ่งกลายเป็นคนอนาถาไปเลยเนี่ยนะหมดสภาพเลยเสื่อมทุกอย่างเนี่ยนะวันในบรรดาคนที่เสื่อมก็ในพรามอ่ตับในพรานคนนี้ถือว่าเป็นคนที่เสื่อมมากเนี่ยนะประโยคคาววิบัติมาก เมื่ออลัมพายนะแม้อลัมพายก็เอาโอสดที่มีคุณานุภาพมากทาร่างกายของตนนะทาร่างกายก่อนกลัวพิษงูใช่ทาร่างกายเสร็จแล้วก็เคี้ยวกินหน่อยหนึ่งพ่นน้ำลายลงในร่างในกายของตนเสร็จแล้วก็ไล่ทิพมนต์เข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับที่หางกระชากออกมานะก็เวลาจับงูก็จับที่หางออกมาก่อนแล้วก็จับกดศีรษะเอาไว้แน่นงัดปากของพระโพธิสัตว์ กเว่าเอาเหมือนกับไม้กีบแพะเนี่ยงัดลงที่คอใช่ปากของงูก็จะอ้าขึ้นเคี้ยวโอสถพ่นโอสถกับน้ำลายเข้าไปในปากของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้โดยปกติก็เป็นสัตว์ที่สะอาดะนะไม่โกรธเพราะเกรงศีลจะขาดก็ไม่ลืมตาเพราะถ้าลืมตาดูด้วยความโกรธเท่านั้นแหละทุกอย่างเรียบร้อยหมดนนะตายเรียบเหมือนกัน เ, เนศาต์พราม นะครับหมายความว่าตาพรามคนนั้นนะพรามที่ที่เป็นอาลัมพายเนี่ยอาลัมพายพรามจับพระโพธิสัตว์ที่หางด้วยกําลังโอสถและทิพนะมนทิพจับศีรษะเอาไว้ข้างล่างรีดเอาอาหารออกเนี่ยนะเขาเรียกว่ารีดเอาอาหารห อ, อกให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนอนเหยียดยาวบนแผ่นดินเอามือนีิขยําดุดขยมขยมหมอนเ่ยนะขยมนวดใหญ่เลยกระดูกทั้งหลายเหมือนกับจะแปลกละเอียด จับที่หางอีกแล้วก็ทุบเหมือนทุบผ้าจับที่หางเคยใครเคยเห็นจับหางฟาดนะจับหางแล้วก็ฟาดเหมือนฟาดผ้าถ้าคนแขกสักผ้าก็เห็นไหมจับหางฟาดผ้านะจับหางแบบนั้น fitness. นี่ก็จับหางงูแล้วก็ฟาดจับหางแล้วก็ฟาดพระโพธิสัตว์นี่แม้จะได้รับความทุกข์ถึงตาม น, นี้ก็ไม่โกรธรำลึกถึงศีลอของตนอย่างเดียวรำลึกถึงศีลของตนอย่างเดียวนะทนได้ยังไงนะเพราะทนได้ก็เพราะเห็นคุณของ ศีลเราคิดง่ายๆ ย, ยังไงว่าเหมือนอย่างว่าคนที่พกเอาทรัพย์ของมีค่าที่สุดของชีวิตใช่ไหมเดินทางไปเนี่ยนะเวลาเดินทางแล้วมีโจรมาปล้นปล่อยทรัพย์อันนี้นะว่าจะทุบจะตีจะเขี้ยนจะยังไงก็ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมห่วงทรัพย์อันนี้มากนะถูกทุบถู ก, ถ ก, ถกตีจนถึงบางคนเนี่ยถูกฆ่าแล้วนะจึงยอม ให้ซับอันนี้หลุดมือของตนไปอันนี้สําหรับคนที่เห็นว่าซับของตัวเองนี่มีมีค่ามากสมมุติว่าใครมีเพชรเท่ากัาปั้นเนี่ยนะยนะไปที่ไหนบอกโอ้ยเพชรนี่จะทําให้ตัวเองสมความปรารถนาใช่ไหมสมความต้องการขายได้ราคาดีก็เดินไปเนี่ยมีคนมาปล้นยอมสละง่ายง่ายไหมบอกขอเอามาไม่ยอมใช่ถูกทุบถูกเคียนถูกตีถูกโบยยังไงก็กดเอาไว้เนี่ยไม่ยอมปล่อย ถูกตัดมือเนี่ยนะถ้ารวบได้จะกลืนได้ก็จะกลืนบางคนเนี่ยนะยอมทำขนาดนั้นบางคนก็ถูกเข็นถูกฆ่าตายไปแล้วนั่นแหละจึงยอมให้คนอื่นเอาทรัพย์ไปได้เพราะธนุถนอมห่วงแหนแอร์พวกทรัพย์นี้มากพระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่าอริยทรัพย์ของของท่านคือศีลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นท่านจะย่ท่านยอมตายได้เพราะเพราะเห็นคุณของศีล ศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมเครื่องที่ทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อท่านเห็นคุณของศีลท่านเนี่ยรำลึกถึงศีลอย่างเดียวใครเขาจะทำอะไรก็ยอมให้เขาทำทุกอย่างแล้วก็ทะนุถนอมห่วงแหนศีลกลัวศีลจะขาดอาลัมพายพรามทําพระโพธิสัตว์ให้หมดกาลังลงเอาเถาวัลเนี่ยมัดมื อ, อนะเตรียมมัดใส่กระสอบพระโพธิสัตว์ ให้ลงในตะกร้า น, น, นะนะก็เรียกว่าพอปรีตพิษรีดอะไรทั้งหมดเสรเรียบร้อยแล้วก็จับใส่ในตะกร้าแต่ร่างกายของพระโพธิสัตว์ใหญ่จึงใส่เข้าไปในตะกร้าไม่ได้เนสัศพระเนศก็เรียกว่าอาลัมพายพรามเอาส้นเนี่ยเหยียบเหยียบพระโพธิสัตว์ให้ลงเข้าไปจนได้อะไรก็ว่าอะไรนะตะกร้ามันเล็กใช้งูมตัวใหญ่เนี่ยทาไงดีก็ใช้เท้านี่แหละ เหยียบยัดลงไปอะนะก็เหมือนกับยัดอะไรยัดนุ่นยัดสำดีใส่กระสอบยัดยัดหมอนเน่ยนะคล้ายๆกับยัดหมอนอย่างนั้นเลยนะก็ยัดเข้าไปใช้เท้าเนี่ยแหละช่วยยัดให้เหยียบพระโพธิสัตว์ให้เข้าไปจนได้แล้วก็แบกตะกร้าไปยังหมู่บ้านหมู่หนึ่งก็วางเอาตะกร้านั่นนะเรียกว่าลงกลางบ้านนั้นประกาศว่าผู้ใดประสงค์จะดูนาคฟ้อนรำจงมาดูได้นะจะมาดูก็ดูได้นะพวกชาวบ้านทั้งหมดพากันมามุงดู ในขณะนั้นเนศาตอาัำพายกล่าวว่านายพรานอาัมพายคนนี้ก็พูดว่ามหานาจจงออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้เราควรเล่นให้ประชาชนพอใจเพราะได้สมาทานไว้แล้วนะเขาจะให้เราทำยังไงก็ยออหมดก็เหมือนกับว่ายอมเป็นทาสเป็นอะไรเขาไปหมดแล้วโดยประการนี้อาัำพายก็ได้ได้ซับเขาดีใจนะถ้าหากว่าเราปล่อยให้เราเล่นตามที่เขาชอบใจถ้าเขาได้รั์เขาดีใจเขาก็ปล่อยเราไป เราจะทำสิ่งที่ อ, อารมพายให้ทำทุกประการแก่นิดหนึ่งนะว่าไอ้หนังสือตรงเนี้ยเขาแปลผิดจริงๆต้องอารมพายพรามไม่ใช่เนสานเนสานแปลว่าในพรานนะท่านทุกแห่งเนียเขาแปลผิดอารมพายพรามเนียนะเพูดกับพระโพธิสัตว์ที่ออกมาจากตักร้า ว, ว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่แสดงตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์ก็ทำตัวให้ขยาย ใ, ใหญ่อาัมพายพรามบอกว่าจงทาตัวให้เล็ก ก็ทําตัวให้เล็กจงขดก็ขดให้คลายก็คลายให้แผลพังพานก็แผ่พังพานให้ขยายพังพันออกเป็นสองพังผานก็ทําตามทุกอย่างให้แสดงตัวให้สูงก็ทําให้สูงทําให้เห็นก็ทําให้เห็นให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวแสดงให้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีหงส์สวาดก็คืองูเลื่อมๆม่นนะงูเลื่อมพายอ่ะนะให้พ่นควันให้ให้พ่นเปลวไฟให้พ่นน้ํา พระโพธิสัตว์ก็เนรมิตอาการนั้นแสดงการฟ้อนละคร ล, ละครมูระบำงูเนี่ยทุกประการตามที่อาลัมพายอารามพายสั่งทุกประการมนุษย์เห็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก็เลยได้ให้เงินให้ทองให้ผ้าให้เครื่องประดับเป็นอันมากอาลัมพายพราหมณ์นั้นอ่ะพอได้ซัพย์จากหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นได้รักได้พันหนึ่งและแสดงหมู่บ้านเดียวได้ดังพันหนึ่ง ที่จริงนั้นอาลัมภายเนี่ยเขาคิดว่าจับพระโพธิสัตว์ตั้งใจสัญญาไว้ว่าถ้าได้พันหนึ่งแล้วจะปล่อยพระโพธิสัตว์แต่พอได้พันเดียวในหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านน้อยๆ อ, อย่างนี้เราจึงได้ทรัพย์ตั้งพันหนึ่งได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้ถ้าเราไปแสดงในพระนครใหญ่ๆจะได้ทรัพย์มากขนาดไหนนาะด้วยความโลภในทรัพย์ก็เลยไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์ที่แรกตั้งใจว่าได้พันเดียวก็พอทีนี้พอได้พันหนึ่งเอาจะได้มาจะเอาให้เยอะๆเลย อาลัมพายรวบรวมทรัพในหมู่บ้านนั้นให้ช่างทําตะกร้าแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงในตะกร้านั้น น, นะตอนแรกเป็นตะกรา้าอะไรนะใช้ใช้พวกเท้าวันนี่มาถักถักถักถักเสร็จแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนตะกร้าว่ารวยแล้วเนี่ยพันสมัยนั้นถือว่ารวยมากแล้วตัวเองก็พันหนึ่งสามารถซื้อรถรถ ง, งามๆได้คันหนึ่งนะไอ้ขี่ยานเล็กก็คือรถคันงามมานั่งคันหนึ่งสบาย แล้วก็มีบริวารมีบริวารพาบริวารออกจากหมู่บ้านนั้นให้พระโพธิสัตว์เล่นไปตามบ้านนิคมราชธานีเล่นไปเรื่อยจนถึงกรุงพาราณสีได้ไปเยอะเนี่ยนะร่ำรวยมากมีบริวารเยอะแยะไปหมดเลยอาลัมพายนั้นไม่ให้น้ํเพึ่งและข้าวตอกแก่พญานาคแต่ให้กบเนี่ยนะใ้ใช้ลูกน้องไปฆ่า ก, กบมาเนี่ยนะเพราะนึกว่า ง, งูกินกบใช่ไหม พระโพธิสัตว์ไม่ยอมรับอาหารเพราะเกรงว่าอารมพายเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยแม้พระโพธิสัตว์ก็ไม่รับอาหารอารมพายก็ให้พระโพธิสัตว์เนี่ยเล่นไปตามหมู่บ้านใกล้ประตูพระนครสด้านเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนใช่เวลาอาหารไม่ได้กินเนเขาให้แสดงยังไงก็แสดงไปทุกอย่างตามที่เขาขอหมดเลยดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอาัมพาย อารมพายเนี่ยนะรู้จักที่ทรู้จักที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ได้ยังไงก็เพราะว่านายพรานผู้เป็นคนอากตันอยู่บอกให้อารัมพายคนนั้นก็จับเราใส่เอาไว้ในตะกร้าให้เราเล่นในที่นั้ น, น, นเมื่ออารัมพายใส่เราเอาไว้ในตะกร้าแม้เมื่อบีบเราด้วยฝ่ามือเราก็ไม่โกรธเพราะกลัวศีลของเราจะขาด การที่เราบริจาคชีวิตของตนเป็นของเบาแม้กว่าย่าการล่วงศีลของเราเป็นเหมือนดังแผ่นดินเราพึงสละชีวิตของเราสิ้นร้อยชาติเนืองเนืองเราก็ไม่พึงทําลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสีถึงแม้เราจะไม่ถูกอาลัมพายใส่ไว้ในตะกตรา้าเราก็ไม่ได้ทําจิตให้คิดโกรธเคืองเพื่อรักษาศีล เพื่อบำเพ็ญศีลบารมีของตนให้เต็มเน่ยนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่รักษาศีลแล้วจะบรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ยอมสะละร่างกายยอมสะละทุกอย่างไม่ยอมโกรธกลัวศีลจะขาดก็เนื่องจากว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นี้เป็นอัตโ ท, ตทสัทธยาศัยน้อมไปเพื่อจะ ก, กําจัดความโกรธเห็นโทษของความโกรธเมื่อเห็นโทษของความโกรธทำทุกอย่างเพื่อกําจัดความโกรธศีลนี่เป็นคุณธรรมเครื่องกําจัด ความโกรธแต่ก็อย่างว่านะเมื่อรักษาศีลน้องไปเพื่อไม่โกรธสัตว์ทั้งหลายก็มายั่วมายุมาทิมมาแทงเพื่อให้เกิดความโกรธเพราะว่ายิ่งผู้มีอํานาจโกรธแล้วก็เดือดร้อนเหมือนกันเถอดท่านก็ไม่ยอมโกรธเพราะถ้าโกรธแล้วศีลที่ท่านตั้งใจจะสมทานจะรักษาก็เสื่อมหายเสียหายไปหมดบทว่าติณโตปิละหูโกมะมะความว่าการบริจาคชีวิตของเรา แม้กว่าการบริจาคเส้นย่าย่อมปรากฏแกเราก็บอกว่าให้ย่าเป็นทานกับให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยนะสละย่า ก, กับสละชีวิตมันไม่ได้ต่างความอะไรกันเลยไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยเพราะมองเห็นชีวิตมีค่าเหมือนกับเส้นย่าปะทะวีอุ ป, ปตตนังวิยะศีลของเราเนี่ยเป็นดุดแผ่นดินพระองค์แสดงว่าการล่วงศีลย่อมปรากฏแกเราว่า เป็นสิ่งที่หนักยิ่งกว่าดุดการพลิกแผ่นดินที่มีความหนาถึงสองแ0นสีหมื่นโยธเขาว่าพลิกแผ่นดินเนี่ยนะเขาว่าศีลของเราที่จะเสียหายศีลของเราที่จะแตกทำลายหนักกว่าการพลิกแผ่นดินเหมือนกับการพลิกแผ่นดินแต่ชีวิตนี้เป็นเหมือนกับเส้นย้ามองเห็นว่าการสละชีวิตกับสละเส้นญ่าไม่ต่างกันแต่การจะล่วงศีลทาไม่ได้ บทว่านิรันตรังชาติสตังความว่าเราพึงสละคือสามารถจะสละชีวิตของเราเพราะเหตุแห่งการไม่ล่วงศีลเนืองๆนืองไม่ว่าจะเป็นร้อยชาติานะเนืองเนืองสิ้นร้อยชาติหมายความว่าจะกี่ร้อยชาติก็ช่างเถอะ แม้แต่ในชาติเหล่านั้นเราก็ไม่ยอมสละศีลเ น, นวศีลังประพินทะยังความว่าเราไม่พึงทําลายศีลแม้ข้อเดียวที่เราสมาทานแล้วเราจะไม่ยอมให้ศีลของเราเสื่อมไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสีจะยิ่งใหญ่ปานใดความยิ่งใหญ่เหล่านั้นถ้าได้มาเพราะการทุศีลเราจะไม่เอาเราจะไม่ยอมเนยนะยอมสละชีวิตดีกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นี้แสดงถึงประโยชน์ที่พระองค์เนี่ยนะยอมสละแม้ชีวิตของพระองค์แล้วรักษาศีลอย่างเดียวเพราะว่าถ้าโกรธก็เสียศีลถ้ารักษาศีลก็ต้องไม่โกรธจะเลือกอันไหนก็เลือกเอาศีลทั้งพระองค์ก็ไม่ได้โกรธเครืองพราหมณ์เนศาสตร์ไม่ได้โกรธเครืองพราหมณ์อาลัมพัยนะไม่โกรธเครืองในพรานแล้วก็ไม่โกรธเครืองหมองูนะไม่โกรธเลยไม่ถ้าโกรธว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหนะ็นไ ขนาดว่าอาลัมพายเขาทำความย่อยยับให้ก็ไม่ยอมโกรธเพื่อจะรักษาศีลเพื่อจะรักษาศีลที่ที่พระองค์บอกว่าเราไม่ทำจิตให้โกรธเคืองเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีละบารมีให้เต็มเมื่อพระโพธิสัตว์ตกอยู่ในเงื้อมมือของคนจับงูพระมารดาของพระโพธิสัตว์ตกว่าฝันร้ายเนี่ยนะทนางสมุตรชานี่ฝันร้าย เมื่อไม่เห็นโอรสในที่นั้นก็ถูกความโศกครอบงำครั้งนั้นสุทัศนะผู้เป็นเชษโออรสพี่ชายคนคนโตของพระภูริทัตตเนี่ยนะทราบขา่าวก็ไปไปหาสุโพคะไปหาสุโภคะส่งสุโพคะน้องชายคนที่สามว่าน้องจงไปในป่าหิมพานตรวจห า, หาดูน้องภูริทัตตะ ที่แม่น้ำสายใ ห, ใหญ่ทั้งห้าสายและที่สะทั้งเจแล้วก็กลับมาก็ส่งน้องชายคนที่สี่คืออริ tha คือน้องคนเล็กประสั่งไปว่าหากทวยเทพประสงค์จะฟังธรรมพาน้องภูริทัตตะไปเทวโลกแล้วก็นําไปในที่นั้นไปดูแล้วก็นําน้องภูริทัตตะกลับจากเทวโลกส่วนคนโตคือตัวเองเนี่ยนะสุทัศนะก็เที่ยวไปเที่ยวหาในมนุษย์โลกแปลงเพศเป็นฤาษี ออกจากหน้าขัิพภพตัวเองนี่ก็แปลงเพศเป็นฤาษีละพระคินีต่างมารดานะคือเนื่องจากว่าเท้าตรฐเท้าตรถเนี่ยนะมีหลายมเหสีนะก็มีน้องต่างมารดาอีกคนหนึ่งชื่อว่านางอัจจิมุขีมีความรักในพระโพธิสัตว์มากก็ได้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนั้นก็ให้นางอัจจิมุขีน้องสาวเนี่ยน้องสาวต่างพ่อต่างแม่ แปลงเพศเป็นลูกกบใส่ไว้ในระหว่างชดาเที่ยวตามหาทุกหนทุกแห่งเป็นต้นว่าสถานที่รักษาอุโบสถของพระโพธิสัตว์ถึงกรุงพาราณสีโดยลำดับไปยังพระราชวังครั้งนั้นอาลัมภายเนี่ยนะเปิดตะกร้าเพื่อให้พระภูริทธตธะแสดงกีฬาเล่นถวายพระราชาในถ้ำกลางมหาชนณพระลานหลวงแล้วให้สัญญาณออกมาว่าจงออกมาเถิดพญานาะค ก็คือเมื่อมีการประชุมเล่นระบำงูเนี่ยนะเล่นระบำงูก็ประชุมเสร็จพระโพธิสัตว์ก็โผล่ีษะมองดูเห็นสุทัศนะพี่ชายตัวเองก็เลื้อยออกจากตะกรา้าเข้าไปหาพี่ชายคือฤๅษีเนี่ยนะสุทัศนะที่แปลงมามหาชนต่างกลัวรีบถอยออกไปพระโพธิสัตว์ไปถึงก็ไปไหว้สุทัศนะแล้วก็กลับมาเข้าตะกรา้า อาลัมพายนี่ก็เข้าใจว่ารือสีดาบทเนี่ยถูกนาค ก, กัดแล้วก็กล่าวว่าอยากกลัวอยากกลัวสุทัศนะรือีก็กล่าวว่านาคนี้จะทำอะไรเราได้ชื่อว่าหมองูเช่นกับเราไม่มีอีกแล้วนะอาลัมพายกับรือสีก็โต้เถียงกันสุทัศนะรือีก็กล่าวว่าท่านพาพญานาคนี้มาคูเราจะทำให้ลูกกบเนี่ยนะกำจัดอาลัมพายให้ย่อยยับ เสแล้วก็เรียกน้องสาวนะเรียกน้องสาวทาไงก็เหยียดมือออกไปลูกกบที่นอนอยู่ในระหว่างชาดาได้ยินเสียงของสุทัศนะจึงร้องเป็นเสียงกบขึ้น3ามครั้งก็โดดมานั่งที่จงอยบากระนั้นเะรียกว่านั่งที่จงอยบ่าแล้วก็คายพิษสามหยดลงบนฝ่ามือของสุทัศนะแล้วก็กระโดดเข้าไปอยู่ในระหว่างชาดาอีกตามเคยสุทัศนะนั้นก็แสดงหยาดพิษกล่าวว่าหากพิษนี้หยดลงในแผ่นดิน ต้นหญ้าต้นหญ้าและป่าทั้งหลายก็จะย่อยยับหมดหากคว่างหยดพิษนี้ขึ้นไปบนอากาศฝนจะไม่ตกตลอดเจดปีหากหยดลงไปในน้ำสัตว์น้ำมีประมาณเท่าใดก็จะตายหมดเพราะว่าพิษนาคนี้ร้ายแรงมากทีนี้สุทัศนะพญานาคเนี่ยต้องการให้พระราชาเชื่อก็เลยให้ขุดบ่อสามบ่อบ่อที่หนึ่งให้ใสา ย, ยาต่างๆให้เต็มไปหมด บอ่อที่2ให้เต็มไปด้วยโคลไมคือคูดโคบอ่อที่3ให้เต็มไปด้วยยาทิพแล้วก็ใส่ยหยดพิษลงไปในบอ่อที่1่ทันใดนั้นก็เกิดควันลุกขึ้นเป็นเปลวนะเป็นเปลวไฟลุกขึ้นหมดพิษนั้นแล้วก็ลามไปจับเอาบอ่อโคลไมนะไฟก็ลุกทั่วอีกแล้วก็ลุกลามไปจนถึงบอ่อยาทิพให้ไหม้บอ่อยาทิพหมดแล้วก็ดับลงแล้วพิษนั้นไปดับหมดลงที่บอ่อทิพ อาลัมพายยืนอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษก็ฉาบทาเอาผิวหนังแล้วก็ลอกกลายเป็นคนขี้เรื้อนเนี่ยนะเนื้อเนี่ยนะกลายเป็นเนื้อหลุดเป็นแว่เ น, นเป็นแว่เ น, นเป็นแว่นนะนะอาลัมพายตกใจกลัวก็ขึ้นแต่งเสียงสามครั้งว่าข้าพระเจ้าปล่อยหน้าคราชถูกจับมาแล้วนะพญานาคก็เลยพระโพ ธ, ธิสัตว์ได้ยินอย่างนั้นก็ออกจากตะกราออกจากไอแฉลอมที่เขาใสเอาไว้เนรมิตอัตภา พ, พประดับด้วยสับผ้าอลังการเครื่องประดับงดงามยืนอยู่โดยท่า ถ้าทางเหมือนเทวดาเทวราชเนี่ยนะคือเทวดาผู้พระราชาที่ยิ่งใหญ่สุทัศนะและอจิมุกขีก็ยืนอยู่เหมือนกันก็คือแปลงเพศเป็นเหมือนกับเทวดายืนอยู่บนอากาศครั้งนั้นสุทัศนะทูลถามพระราชาสุทัศนะทูลถามพระราชาว่าตนนี้เป็นพี่ของพระภูริทัตะพระราชาฟังอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปกอดจุมพิษที่ศีรษะก็คือมีการสนทนากันนะสนทนากันเสร็จ ก็ได้ทราบว่าสุทัศนะภูริทัตตาพวกนี้ก็คือใครก็คือหลานของพระราชานั่นแหละ น, นะพระราชานี่มีน้องสาวใช่ไหมน้องสาวพระราชามีน้องสาวน้องสาวที่ว่าสมุตชานี่ไปแต่งงานกับพญานาคก็ลูกของพญานาคขึ้นมาก็คือเป็นหลานก็มีการกอดจูบกันธรรมดาเนี่ยนะพระราชาก็ทำสักการะสา ม, มานะที่ยิ่งใหญ่ เมื่อจะทําปฏิสันฐานกับพระภูริทะัตตะ์ก็ตรัสถามว่าพ่อคุณอาลัมพายจับพ่อผู้มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ได้อย่างไรอน น, นคล้ายๆว่าล้านหลานถูกจับมาได้อย่างไงพระภูริทัตต์ก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วก็แสดงธรรมแก่พระเจ้าลุงว่าข้าแต่พระมหาราช ธ, ธรรมดาพระราชาในควรครองสมบัติโดยทํานองนี้ ครั้งนั้นสุทัศนะก็ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าลุงพระมารดาของข้าพระองค์เนี่ยเมื่อไม่เห็นพระภูริทัตะย่อมลำบากพวกข้าพระองค์ไม่สามารถจะอยู่ในที่ช้านะไม่สามารถอยู่ชักช้าในที่นี้ได้แล้วก็ลาพระเจ้าลุงกลับไปยังหน้าคัตติภพพระภูริทัตยและนางอจจิมุ ข, ขีก็กลับไปพอกลับไปนเนี่ยนะก็อดอาหารมาเท่าไหร่หเออนึ่งเดือนเต็มเมเลยนะก็กลับไปนี่ไข่ขึ้นเลย ไปนอนป่วยอยู่ที่เมืองนาทีนี้มีอยู่วันหนึ่งไอ้น้องคนเล็กเนี่ยคืออริ tha เนี่ยนะอริ tha เนี่ยน้องคนเล็กของพระโพธิสัตว์เขากล่าวเข้าเป็นคนสอนคมภีร์พระเวทนะสอนคมภีร์พระเวทคมภียันคมภีรพราหมณ์ให้หนาคบริษัทธบริวานเนี่ยฟังแต่ก็เป็นลทัทธิเดรธีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อศีลไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอะไรหรอกนะพระโพธิสัตว์ถึง ถึงจะป่วยเป็นไข้นนะก็สอนทำเพื่อทำลายมิจฉาทิฐิเหล่านั้นแสดงทาให้บริษัททั้งหมดตั้งอยู่ในศีลและสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลทิฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฐิให้มีกรรมแล ะ, ะให้มีปัญญารู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วรู้ผลแห่งบุญแห่งบาปเป็นต้นเนี่ยนะ เสร็จแล้วในชีวิตของพระโพธิสัตว์ก็รักษาศีลจนตลอดชีวิตกระทาอุโบสถนะจุติจากพญานาก็เกิดในสวรรค์พระมารดาบิดาในครั้งนั้นก็เป็นราชตระกูลใหญ่ในครั้งนี้นะก็คือพระบิดาก็คือใครพระเจ้าสุดโททนะนะนางสมุตชาก็คือพระนางสิริมหามายาในเนสาตพรามเนี่ยนะในพรานผู้ อักตัญยูนั้นก็คือพระเทวทัตโสมทัตโสมทัตคือใครโสมทัตก็เป็นพระอานนท์โสมทัตนี่เป็นน้องคนที่เท่าไรไม่รู้ว่าใครนะโสมทัตโสมทัตก็คือพระอนนท์นนะ ไม่ใช่ลูกมีามอ น, นะนางอ จ, จิมุขีก็คือนางอุบลวา น, นาสุทัศนะพี่ชายคนโตก็คือพระสารีบุตรสุโพคะคือพระโมกขลานะอริฏะคือสุนัขขตะลิชวีบุตรเนี่ยนะพระภูริทัตตก็คือพระโลกกนาาในภูริทัตตาจริยาความประพฤติหรือ ความประพฤติของพระพุท ธ, ธะตาเนี่ยนะพิเศษก็คือสีละบารมีใช่ไหมแต่ท่านก็ยังมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกคุณธรรมเป็นต้นอย่างนี้คือการที่พระโพธิสัตว์อ น, นางนาคกัญญาณ6 0 0 0บำเรอตนอยู่ดุจรูปวิจิตในนาคพิภพของตนร้อยโยศแม้ดำรงอยู่ในความเป็นอิสระในโลกของนาคเช่นกับสมบัติในเทวโลกก็ไม่ได้มัวเมาในความเป็นอิสระ กลับไปบำรงมานดาบิดาทุกครึ่งเดือนท่านก็ถึงได้รับสมบัตินะเสวยสุขสมบัติอยู่ในราชาสมบัติเหล่านั้นก็ยังไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทุก15วันเนี่ยนะไปบำรงไปอุปถัมภ์ไปคอยรับบรนนิบัติรับใช้อันนี้คือคุณธรรมอย่างที่1ต่อไปท่านก็มีการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ด้วยความสัมมาคารวะตั้งอยู่ด้วยความเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลวงป้านณนะอาเป็นต้น ความสามารถที่สามารถตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมูนาคในเทวดาทั้งหลายด้วยศาสตราคือปัญญาเนี่ยนะก็คือสามารถตัดปัญหาแก้ปัญหาด้วยปัญญาคืออาวุธอาวุธคือปัญญาในถามกลางบริษัทได้ทันทีทันใดเหมือนอะไรเหมือนกับตัดก้านบัวด้วยศาสตราที่รับคมดีแล้วฉะนั้น ท่านมีความสามารถในการแสดงธรรมสมควรแก่จิตของบริษัทเหล่านั้นคือแก้ปัญหาได้แสดงธรรมให้คนทั้งหลายฟังได้อันนี้ก็คือบุญของอพระคุณของท่านอีกอย่างหนึ่งคุณธรรมของท่านต่อไปคือท่านสามารถละโภกคสมบัติที่ตามที่กล่าวแล้วไปรักษาไปอธิษฐานอุโบสถประกอบไปด้วยองค์สี่ไม่คำหนึงถึงร่างกายและชีวิตของตน ขณะเดียวกันท่านก็ยอมตกอยู่ในเงื้อมมือของหมองูเพราะเกรงจะพูดผิดคำปฏิญญา น, นะยอมตกลงใจนนะที่จริงท่านหนีได้ท่านก็ไม่ยอมหนียอมที่ไปอยู่ในเงื้อมมือของหมองูเดี๋ยวจะผิดคำพูดเพราะตัวเองได้ตั้งใจแล้วว่าจะสละทุกประการเนี่ยนะแม้เมื่ออาลัมภายทาทารุณกรรมมีประการต่างๆเช่นพ่นน้าลายเจือด้วยยาพิษตกลงไปในปาก จับหางฉุดกระชาก ค, ครูดสีบนแผ่นดินเหยียบพระโพธิสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เห็นปานนี้ทั้งๆ ท, ที่สามารถจะทําลายอาลัมพายให้เป็นกี้เท่าด้วยเพียงความโกรธแล้วก็มองดูโกรธแล้วมองดูเนี่ยเขาฆ่าได้แล้วแต่ท่านก็ไม่ทํารำพึงถึงสีและบารมีไม่มีจิตคิดประทุสร้ายแม้แต่น้อยเพราะเกรงศีลจะขาด น, นะกลัวศีลจะขาดมากว่าถ้าโกรธเขาแล้วเขาก็ตายเนี่ยนะ การทำใจตามใจอารัมภายด้วยคิดว่าเขาจะได้ทรัพย์อันนี้หมายความว่าเออทำตามใจเขานะถ้าเขาให้ทำยังไงก็ทำไปอย่างที่เขาต้องการเขาจะได้มั่งมีเขาจะได้ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ทั้งตอนที่ยังไม่อธิษฐานอุโบโสถศีลก็ไม่โกรธเนสาาพรามเนสาาพรามก็คือนายพรานผู้ทำลายมิตรที่เป็นคนอกตันยู น, นะซึ่งสุโภคะนามาอีก ทั้งๆ ท, ที่นำมาเนี่ยสุโพคะนี่ถ้าดูจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นพระราชาเนี่ยนะ ก, ก็ถูกนำมาอีกแต่ถูกนำมาก็ไม่เข็นไม่ฆ่าไม่ทำลายนายพรานคนนี้อะไรเลยสุดท้ายปัญญาอันสุดท้ายของท่านที่ความสามารถพิเศษคือท่านทำลายมิจฉาทิฐิของอริ t h ะคือน้องชายของตัวเองเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิน้องชายคนที่สีเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฐิสามารถแสดงทาให้นาบริษัท ให้บริวารเป็นต้นตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิมันคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นี้ก็ชื่อว่าน่าอัศจรรย์มากอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาอย่างนี้แม้เพียงจิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์จะพูดไปทำไมถึงการทาตามท่านเหล่านั้นโดยทำและก็โดยสมควรแก่ทำเนี่ย เพราะว่าถ้ามีการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นก็ถึงความพ้นทุก์ได้อย่างแน่นอน